ระดับความหลงตัวอาจใช้เป็นตัวชี้ว่าใครจะหลงก่อบาปด้วยโมหะได้แค่ไหนถ้าหลงตัวเพราะมีดีบางอย่างเกินคนอื่นก็อาจคลองขึ้นเป็นพักๆแต่ถ้าหลงตัวผิดมนุษย์ไม่มีดีแต่ก็หลงสำคัญตัวว่ามีดีอย่างนี้มีสิทธิก่อบาปก่อกรรมได้ทุกวันความหลงตัว จัดเป็นโมหะเรียกได้ว่ารักตัวเองแบบหน้ามืดคืออัตตาใหญ่ในทางที่ผิดประทั่งมองไม่เห็นว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนทำให้คนเดือดเนื้อร้อนใจอันไหนทำความวิบัติให้สังคมขอให้ตนเองพอใจเถอะขอให้ยกระดับอัตตาตัวเองได้เถอะบางคนหลงตัวจัดประถูกเลี้ยงมาแบบป้อยอตั้งแต่เด็ก แต่บางคนก็หลงตัวอย่างร้ายกาศเพียงเพราะสำคัญตัวผิดเองตัวอย่างเช่นรูปไม่หลอ่อไม่สวยแถมเจ้าโทสะแต่กลับนึกว่าคนอื่นต้องชอบต้องรักพอเขามิรักไม่ชอบก็โมโหหรือริษยาอยากเกลี้ยวกราดกับคนที่ใครๆรักหรืออย่างเช่นไม่ค่อยมีอำนาจแต่กลับอยากเบ่งอยากอวดอานาจ หลวงไหลคล่างคล้ายตัวตนที่ส่งอำนาจเป็นรอปภให้ผ่านได้ก็ไม่ให้ผ่านเป็นเสียมียนผ่อนปรนได้ก็ไม่ผ่อนปรนเป็นคนธรรมดามาทีหลังแต่อยากไปก่อนเมื่อแสดงอำนาจเล็กๆน้อยๆไม่ได้ก็เหมือนโลกจะแตกเลือดขึ้นหน้าเอาเป็นเอาตายยอมเปลืองแรงยอมเสียเวลาดีกว่าต้องยอมรับว่าตัวเองไม่มีอานาจอย่างที่คิด ในการเจริญสติคือต้องเห็นโทษของโมหะเห็นจิตที่ถูกห่อหุ้มด้วยโมหะโดยความเป็นของทึบของมืดบางตาบางใจให้เห็นผิดเป็นชอบสำคัญตัวผิดหรืออย่างน้อยเห็นอะไรผิดจากความเป็นจริงเป็นต้นทางของการคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายทั้งโดยรู้ตัวหรือโดยไม่รู้ตัวเมื่อทำไว้ในใจอยู่ล่วงหน้าว่า โมหะเป็นเช่นนั้นพอถึงเวลาโมหะก่อตัวขึ้นจะครอบงำจิตคุณจะมีสติขึ้นมาก่อนจิตจะมืดมิดแรกแรกสติจะมีกำลังอ่อนอยากอ่อนข้อยอมแพ้มโมหะที่มีกำลังเหนือกว่าแต่พอเกิดสติบ่อยๆบอกตัวเองถูกว่าโมหะกำลังก่อตัวเหมือนเห็นผีร้ายกำลังจะเข้ามาสิงได้ทุกครั้งนานไป สติจัชนานอกง่ายๆวัดได้จากที่เกิดแรงดันให้คิดดิบๆอยากพูดดิบๆหรืออวดดีแบบดิบๆแล้วใจถูกเหนี่ยวรั้งให้กลับสู่สามัญสำนึกปกติเปลี่ยนดิบเป็นสุขคิดดีพูดดีทำดีแทนนั่นหละเรียกว่าเห็นโมหะทัดทานโมหะแล้วเปลี่ยนเป็นปัญญาพลิกมืดเป็นสว่างแปลอกุศลให้เป็นมหากุศล เป็นหนึ่งในคนมีสิทธิ์รู้จักความไม่เที่ยงของโมหะล้างผลานโมหะทำลายทุกโศกได้เด็ดขาดในวันหนึ่งไม่ไกลไม่ไกล